บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นลปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิยะแห่งหลักปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นการแสดงโดยนิยะที่แตกต่างกันออกไปแต่มีจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกัน คือความสะอาดทางกายวาจาความสงบในด้านจิตใจและความสว่างในด้านปัญญาจนสามารถขจัดอวิชชาซึ่งเป็นความมืดบอดออกไปได้ดังนั้นในที่นี้จะได้กล่าวในเชิงวิเคราะห์จิตใจโดยในยะหนึ่งตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงแก่พระกุมารกัสปะธีระเป็นการสอนให้ศึกษาสำเนีกดูร่างกายของตนในแง่อุปมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นวัตถุธรรมอันมีอยู่ในภายนอกโดยชั้นแรกทรงแสดงว่าร่างกายของคนเหล่านี้เป็นประดุดจอมปลวก ซึ่งมีการตกแต่งโดยวิจิตพิสดารจอมปลวกนั้นกรรมคือเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของจอมปลวกได้สร้างขึ้นแต่ร่างกายนั้นกรรมคือเจตนาที่เป็นบาปเป็นบุญซึ่งบุคคลแต่ละคนได้กระทำไว้เป็นตัวสร้างขึ้นมาและในร่างกายคือจอมปลวกนั้น จงแสดงว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟซึ่งหมายความว่าในเวลากลางคืนบุคคลก็ได้ตรึกนึกถึงการงานที่ตนได้ทำมาแล้วบ้างที่ยังไม่ได้กระทำบ้างและมีความสรึกนึกซัสส า, ายไปในเรื่องราวต่างๆบางคราวก็เป็นกุศล บางคราวก็เป็นอกุศลที่ภาษาศาสนาใช้คำว่าวิตกหรือสังกัปปะที่แปลว่าความดำริด่ดังนั้นความสึกนึกของคนจึงออกมาในสองทางด้วยกันทางแรกเป็นเรื่องที่ตกไปในอำนาจของกิเลสคือสึกดึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาและพอใจ สึกนึกถึงสิ่งที่ตนอาฆาตแค้นจริงจังต้องการที่จะให้พินาศไปและสึกนึกด้วยอำนาจความหลงความขาดเหตุผลขาดปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองใจมุ่งที่จะเห็นความพิบัติความเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งยถ้าความสึกนึกโดยแนวนี้เราถือว่าเป็นอกุศลนวิตก ในชั้นการดำรงชีวิตทั่วๆไปนั้นก็สรงสอนให้บรรเทากระแสะความคิดในลักษณะนี้เพราะถ้าหากว่าเกิดเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะมีผลในการทำลายจิตใจให้สูญเสียความสงบเกิดเป็นความเร่าร้อนกระสับกระส่ายไปและถึงถ้าถึงจุดดึงที่คุมไว้ไม่ได้ก็จะออกมาทางกายกับทางวาจาเป็นการละเมิดศีน ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ความสึกนึกอีกสายหนึ่งนั้นจะออกมาในรูปของกุศลคือเรื่องของความดีต่างๆเึ็นการสึกนึกในการที่จะดึงกายจิตของตนออกจากวัตถุกรรมที่อาศัยกิเลสกรรมเป็นเหตุให้บังเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงความเพียรพยายามที่จะมองให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้น ตามความเป็นจริงอย่างไรไม่ปล่อยใจให้ไปกำหนดหมายด้วยอำนาจของกามาสัญญาก็าน่าใคร่น่าปรานาน่าพอใจแต่มากำหนดในรูปของอสุภสัญญาคือมองให้เห็นความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลของสิ่งเหล่านั้นและสึกนึกไปด้วยอำนาจเมตตา ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษรายกันให้มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนและศึกนึกที่กรอบด้วยกรุณาปรารถนาที่จะเห็นคนสัตว์ซึ่งกำลังประสบความพิบัติอยู่หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้น ความสรนึกของคนก็จะหมุนวนไปในสองทางอย่างนี้ไม่อย่างไรก็อย่างแน่แต่ส่วนที่เป็นกุศลนั้นก็ส่งสอนให้เพิ่มพูนควบคุมรักษาความคิดประเภทนี้เอาไว้เพราะเมื่อคิดไปแล้วจะมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความสว่างปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนส่วนกลางวันเป็นเปลวหรือเป็นไฟนั้น จงแสดงว่าหมายถึงการที่บุคคลต้องประกอบภารกิจการงานในชั้นของการสแสวงหาซึ่งการงานที่ประกอบกระทำลงไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดในตอนรัางคืนถ้าหากว่าความคิดถึงเรื่องของการงานออกมาในทางกุศลการสแสวงหาก็เป็นกุศล ที่เรียกว่าเป็นการสแสวงหาอย่างประเสริฐหรือเป็นการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐแต่ถ้าความจึกนึกเป็นอกุศลการสแสวงหาก็ออกมาในรูปที่ก่อให้เกิดเป็นความเบียดเบียนเดือดร้อนทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นซึ่งเรียกว่าการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐต่อจากนั้นก็ทรงแสดงเป็นรูปของนิทานบุคคล ว่าพราหมณ์อาจารย์ได้เรียกลูกศิษย์ที่ชื่อว่าส um ุเมธให้ออาจอบมาขุดจอมปลวกนั้นแล้วเมื่อขุดลงไปแล้วก็พบสิ่งต่างๆตามลำดับเป็นการแสดงหลักการปฏิบัติที่บุคคลจะต้องเจอกับกิเลสในชั้นนั้นๆเวลาปฏิบัติไปถึงข้าว และทรงสอนวิธีปฏิบัติต่อสิ่งซึ่ประสบพบเห็นเหล่านั้นตามลำดับเช่นเดียวกันคำว่าพระม า, ารารนั้นทรงหมายถึงพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเปิดเผยชี้แจงแสดงความจริงซึ่งพระองค์ตรัสรู้มาแก่โลกเพื่อให้บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความสุข ไม่ไม่ต้องการความทุกข์ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วประสบผลคือความสุขตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนเพรา ะ, ะนั้นคำว่าลูกศิษย์หรือสุมเมธมานพก็ได้แก่พุทธศาสานิกชนในาศาสนานี้ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุสามเณรก็ตาม ก็ชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสาวกคือผู้ฟังคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเมื่อปฏิบัติตามไปแล้วก็จะได้สัมผัสผลแห่งการปฏิบัติในชั้นนั้นๆข้อที่อาจารย์ให้ทุกศิษย์เอาจอบกุดจอมปลวกนั้น คำว่าจอบก็คือเรื่องของปัญญาที่จะต้องใช้ในการกำหนดในการพินิจพิจารณาในการตัดสินสิ่งต่างๆปัญญาประเภทนี้คือปัญญาในระดับที่เรียกว่าความรอบรู้ในกองสังขารคือรู้ลักษณะสภาวะเหตุเกิดแห่งสังขารเหล่านั้น ที่ท่านจำแนกออกเป็นสองฝ่ายด้วยกันคือปัญญาประเภทที่จำแนกแยกแยะสังขารทั้งหลายออกได้อย่างเด่นชัดว่าอะไรเป็นอะไรและปัญญาประเภทที่มองเห็นความเกิดความดับซึ่งปรากฏในสัตว์และสังขารทั้งหลายที่ใจของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นไว้ว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรา ปัญญาประเภทจำแนกแยกแยะซึ่งอาจจะแยกมาที่ร่างกายที่เป็นเหมือนจอมปลุกว่าเป็นที่ประชุมแผงซากศพทั้งหลายมีผมขนเป็นต้นสภาวะทั้งสิ้นที่มาเกาะกลุ่มประชุมกันนั้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่าเบื่อหนายและจะต้องเปื่อยหน้าผูพังไปในที่สุด เป็นรังของโรคนาน า, นาชนิดมีอันจะต้องแตกต้องดับสลายไปเป็นธรรมดาคืสภาวะเหล่านั้นเมื่อแยกออกโดยสรุปก็คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณที่มาประชุมก um ันอย่างมีสัตว์มีส่วนก็กลายเป็นการบัญญัติขึ้นว่คาขาันบ้างอาจตนาบ้างถาดบ้างอินสีบ้าง แล้วสมมติกันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นการสมมติซ้ําซ้อนขึ้นในความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลแถวนั้นเช่นการสมมติให้มีชื่ออย่างนั้นมีหน้าที่อย่างนั้นมีตําแหน่งอย่างนั้นมีความใหญ่โตอย่างนั้นเป็นต้นแตนั้นก็คือเรื่องของความสมมติเพราะแท้ที่จริงแล้วชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้นจะต้องจบสิ้นลงที่ความตาย คนตายสัตว์ตายต้นไม้ตายสิ่งอะไรก็ตามที่ตายเป็นการละทิ้งสมุติที่เคยมีมรดกมากลายเป็นซากมากลายเป็นศพ ม, มากลายเป็นกองดินน้ำลมฝ่ายเป็นต้นก็เป็นการใช้ปัญญาจำแรกลงไปในกองสังขารพิจารณาให้เห็น ได้ยังเด่นชัดว่าแท้ที่จริงแล้วสังขารทั้งหลายคือของที่ผสมกันทั้งหมดนั้นเมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็เป็นกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณสรุปให้ชัดสั้นเข้าลงไปก็คือกายกับจิตหรือรูปกับนามซึ่งก็ตกอยู่ในสภาพ ของไตรลักษณ์ได้แก่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อมาก็จะเข้าถึงปัญญาในชั้นของการพิจารณาเห็นความเกิดความดับแห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายในช่วงที่ยาวๆออกไปก็คือจากเกิดถึงตายว่าเ ม, เมื่อเมื่อเมื่อเกิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของอะไรก็ตามจะต้องจบลงที่ความตาย แต่ในช่วงที่สั้นกว่านั้นคนเราก็ตายมาจากวัยต่างๆจากวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยเป็นผู้ใหญ่วัยเป็นคนท่าคนแก่ก็ตายกันมาโดยลำดับในระยะที่กระชั้นชิดกว่านั้นแทแ้จริงแล้วสังขารธรรมทั้งหลายที่เกาะคุมกันเป็นรูปเป็นชีวิตสมมติเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้น มีความเสื่อมความสลายอยู่ตลอดเวลามีการตายอยู่ตลอดเวลามีหนังตายมีผมตายมีเล็บตายมีส่วนต่างๆที่ประกอบกันเป็นกายได้ตายไปเรื่อยๆแต่ว่าเนื่องจากมีการเกิดที่สืบเนื่องกันมาโดยลำดำับเลีวยงประกอบแผงชีวิตยังไม่ได้แตกทำลายไปคืออายุออุอ่นและวิญญาณ ยังรวมกันอยู่การสมมติเรียกว่าสัตว์ประบุคคลก็มีอยู่ได้แต่เมื่ออายุนอายุวิญญาณแยกออกจากกันความเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็หมดไปกลายเป็นซากเป็นศพดังกล่าวถ้ามองเห็นความเกิดดับที่ทียิบซึงเกิดขึ้นในแต่ละกะาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการกำหนดลึก ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจะเห็นได้ว่าลมหายใจเข้าออกนั้นก็เป็นกายส่วนหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เรียกว่ากายทั้งหลายหายใจเข้าหายใจออกก็คือความเกิดดับหรือเกิดตายหายใจเข้าเป็นความเกิดหายใจออกเป็นความดับหรือหายใจเข้าเป็นความเกิดหายใจออกเป็นความตายเป็นความเกิดดับที่ถี่ยิบ แอบการเกิดดับของกระแสไฟแอบการเกิดดับของการเวลาซึ่งเป็นไปในเวลารวดเร็วมากแต่เนื่องจากการเกิดสืบเนื่องการที่เรียกว่าสันตติดังกล่าวปัญญาที่ควรสามารถจำํำจำแรกได้ปัญญาที่จะสามารถมองเห็นความเกิดดับได้ก็เปล่งประกายไม่ได้เต็มที่ เราถูกบรรดากิเลสซึ่งมีเชื้อมาจากกบิชาปิดปังเอาไว้ความยึดความถือในรูปแบบต่างๆจึงยังคงมีอยู่ยังคงเป็นอยู่แต่รูตระองก็สรงสอนให้บุคคลใช้จอบซึ่งเป็เป็นประดุจปัญญานั้นขุดลงไปด้วยความเพียรพยายามกิริยาขุดจึงเป็นเรื่องของความเพียร คนนี้ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่านิย่แห่งประสูตรที่ใช้เป็นหลักการปฏิบัติกรรมฐานคือสติปัะทานในสูตรนั้นทรงแสดงเครื่องมือในการทำลายกิเลสไว้สามอย่างคือสติความเพียรและปัญญาแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าปัญญากับความเพียรซึ่งโดยหลักของการปฏิบัติแล้ว ปัญญากสติเป็นธรรมที่เกิดเนื่องกันและนุนกันจะบ่งชื่อไว้หรือไม่บ่งชื่อไว้แต่ว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วก็จะมีสติปรากฏขึ้นด้วยความเพียรที่ท่งสอนนั้นหมายถึงความเพียรที่บุคคลจะต้องใช้ให้เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตใจแต่เนื่องจากในชั้นนี้เป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะ ที่จะมุ่งให้เกิดเป็นความสงบระงับดับกิเลสดับความยึดความถือจึงเน้นไปที่ความเพียรซึงเรียกว่าสมมติทานหรือความเพียรที่ประกอบด้วย อ, องค์สี่ในแก่การปลูกฝังความพอใจมีความเพียรพยายามในการกระทําที่สืบต่อกันไปในการสํารวมบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น ในการละบาปละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในการสร้างกุศลซึ่งยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นและในการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปในชั้นของการละและการบำเพ็ญ น, นั้นบุคคลสามารถละได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็ต้องรักษาคุณภาพจิตเอาไว้ในจุดนั้นในชั้นของการสร้างกุศล สร้างได้มากน้อยแค่ไหนเพียงรายก็รักษาคุณภาพจิตไปในจุดนั้นและใช้ความเพียรพยายามในการละและการบำเพ็ญเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่อำนาจป ร, รมีความเพียรพยายามของตนจะสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้และเมื่อสุเมตคือผู้ปฏิบัติธรรมในศาสนาชายจอบคือปัญญาขุดไป คือความเพี่ยนแล้วในตอนแรกทรงแสดงว่าจะพบสิ่งที่เรียกว่าลิมสลักซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหรือภายในจอมปลวกคือร่างกายนี้คขามาลิมสลักนั้นเป็นสิ่งที่ตอกตรึงประตูหรือสถานที่ต่างๆเอาไว้ไม่ให้บุคคลสามารถที่จะผ่านเข้าไปได้ ถ้าต้องการผ่านไปก็หมายความว่าต้องถอดริ่มสลักนั้นออกสุมเมศมนบหรือบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในศาสนาก็กราบเรียนอาจารย์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าได้ขุดไปแล้วไปเจอริ่มสลักเขาพระผู้มีพระภาคเจ้าหรืออาจารย์ก็ได้สอนให้ใช้จอบกระแสรลิ่มสลักนั้นออกเสีย คาอลิมสลักที่ทรงหมายถึงนั้นคืออะไรได้แก่อวิชาคือความไม่รู้ที่ปิดบังวิชาคือความรู้เอาไว้ถึงแม้จะมีการรู้อยู่บ้างในบางชั้นบางระดับแต่ไม่ใช่เป็นความรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายทางพระพุทธศาสนาเพราะระดับของความรู้ที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นก็มีอยู่สามระดับด้วยกัน ระดับแรกเรียกว่ายาตะปริญญาคือรู้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆโดยการศึกษาการสดับสนังการสนทนาการสอบถามการไต่ถามในชั้นนี้แม้จะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่ก็จริงแล้วก็ช่วยตัวเองอะไรไม่ได้ดังนั้นจึงทรงสอนความรู้ในชั้นต่อไปที่เรียกว่าตีรณะปริญญา คือเป็นงานชั้นวิเคราะห์ชั้นตรวจสอบชั้นพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆที่ได้ศึกษามาแล้ววิเคราะห์สอดจสองอารมณ์ธรรมะหรือกล่าวโดยสรุปก็คือนามรูปให้มองเห็นตามความเป็นจริงเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเข้าถึงปัญญาชั้นสูงสุดที่เป็นปัญญาแท้จริงที่ทรงใช้คําว่าปหาหนะปัญญา ซึ่งหมายถึงตัววิชาความรู้ที่เกิดผุดขึ้นแล้วทำลายวิชาคือความไม่รู้หรือความรู้ไม่จริงให้ออกไปจากจิตใจได้เหมือนแสงสว่างที่บางเกิดขึ้นทำหน้าที่ขจัดความมืดให้หมดไปสิ้นไปในจุดนั้นๆนั่นเองอวิชาคืออะไรอวิชาคือความรู้ คือความรู้ไม่จริงหรือความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสประการแต่พึงเข้าใจว่าเป็นความไม่รู้ระดับที่สก็เพราะในระดับที่หนึ่งกับที่สองนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับที่หนึ่งคนก็จำได้ท่องได้ในระดับที่สองผู้มีปัญญาก็พินิจพิจารากันอยู่พสมควร แต่ยังไงก็ไม่เต็มตามขั้นตอนในชั้นที่สองความไม่รู้อริยสัจสีจึงยังมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อไม่รู้อริยสัจสี่ไอความไม่รู้นั้นก็ครอบคลุมเข้าไปในเรื่องของอดีตซึ่งมักจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าเราเคยเกิดมาในชาติก่อนหรือไม่หรือไม่เคยเกิด ถ้าเกิดเกิดเป็นอะไรต่อจากนั้นเกิดเป็นอย่างไรเป็นต้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ไม่จริงหรือตัววิชาที่มีอยู่ภายในจิตใจบางครั้งก็เป็นความไม่รู้ในอนาคตซึ่งเกิดเป็นคําถามขึ้นมาเสมอภายในจิตว่าเราจะเกิดต่อไปอีกหรือไม่หรือว่าเราจักไม่เกิด ถ้าเราเกิดจะเกิดเป็นอะไรและจะเกิดเป็นอย่างไรต่อไปนี่ก็คือความไม่รู้ในเรื่องของอนาคตบางครั้งก็สรุปหมดเลยเป็นความไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตและความไม่รู้ในหลักธรรมสำคัญคือปฏิจจสมุปบาทซึ่งว่ากันโดยหลักของการปฏิบัติแล้วจะเห็นได้ว่า เอาก็จริงก็มีอยู่สองฝากสองฝ่ายเท่านั้นโลกนี้ถูกขอคุ้มด้วยกระปะ๋อฟองคืออวิชชาได้แก่ความไม่รู้ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาสัตว์โลกว่าเป็นเหมือนลูกก่ยอยู่ในกระปะ๋อฟองไข่คือถูกขอคุ้มไว้ด้วยกระปะ๋อฟองบุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติ บ่มตัวเองเหมือนแม่ไก่ฟักไข่บ่มด้วยอินทรีย์บ่มด้วยความเพียรพยายามเป็นต้นมาถึงจุดหนึ่งก็ทำลายกระเปาะฟองไข่คือวิชาได้บรรดาคนที่ทำลายกระปาะฟองไข่คือวิชาออกมาได้เป็นคนแรกในพระศาสนานี้ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะงั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าเป็นโลกกระเชิคือเป็นพี่ใหญ่ของสัตว์โลกที่สามารถทำลายกระป๋อฟองไข่ออกมาได้ก่อนคนอื่นสัตว์โลกเราอื่นก็ยังอยู่ในกระปาะฟองไขพระองค์จึงทรงสแสดงธรรมะที่มีลักษณะฟักกระปาะฟองเหล่านั้นเพื่อช่วยบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้สามารถทาลายกระปาะฟองเคอวิชาออกมาได้ เมื่อออกมาจากกระเปาะฟองคือวิชามันก็กลายเป็นวิชาคือความรู้ตกลงว่าเมื่อสรุปการปฏิบัติแล้วก็คือมุ่งละอวิชาเพื่อสร้างวิชาความรู้ให้บังเกิดขึ้นหรือมุ่งขจัดความมืดเพื่อสร้างแสงสว่างให้บังเกิดขึ้นนั่นเองแม้จะมีการแสดงรูปของอวิชาไว้ถึง6ประเภทก็ต่าง แต่ในชั้นของวิชาคือความรู้ที่บุคคลปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นหากว่าเป็นญาณคือความรู้ในอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการตามความเป็นจริงแล้วก็ชื่อว่าเป็นการถอดริ่มสลักออกไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่ในชั้นการปฏิบัติที่ลดหลั่นลงมาจึงใช้คำเพียงว่ากระแสคคือค่อยๆขูดค่อยๆ ข, ขัดกลาวไป โดยลำดับในจุดใดที่ยังไม่รู้ก็พยายามให้รู้ไปเรื่อยๆก็เหมือนกับจุดใดที่ยังมืดจู่ก็ส่องแสงสว่างเข้าไปในส่วนอื่นที่ยังมืดก็ส่องแสงสว่างเข้าไปอีกปริมาณของแสงสว่างก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริมาณของความมืดก็จะลดลงลดลงแล้วเมื่อสว่างได้เต็มที่ นันก็หมายความว่าความมืดก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันดังนั้นลิมสลักในจุดที่พึงประสงค์ของการปฏิบัติจึงไม่ได้หมายอยู่เพียงกระแสกออกแต่หมายถึงการถอดลิมสลักนั้นออกไปได้โดยอาศัยหลักการปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนและวิธีการต่างๆเป็ น, น, นเอเนก ซึ่งทรงแสดงไว้โดยนัยนั้นๆสำหรับนัยนี้ก็ทรงสอนให้สุมเมธกุมารกระแะริมสลักจนถึงกระถอดลิมสลักออกไปแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติสำหรับพระสูตรนี้ทรงใช้เพียงกระแะจึงหมายความว่ายังมีเรื่องอื่นที่บุคคลจะพบว่าซึ่งงบนิ่งอยู่ภายในจิต โรงจึงได้สอนภารากิจอันบุคคลปรงประพฤติปฏิบัติเมื่อประสบกับอารมณ์นั้นๆในลำดับต่อไปสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป